หนาวไหมหนาวหนาวพอดีมันยังไม่เย็นจัดต้อง22องศาปีนี้ที่ลงไปเย็นไหนก็สิปอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนความน่ากลัวมันคือลมแรงถ้าเราไปตากลมลเราเสียความร้อนอย่างรวดเร็วเลยคนโบราณบอกว่าปีไหนน้ำมากจะหนาวมาก คนมบรานเชื่อกันมาแบบนี้เขาสะสมความรู้มาแต่ไม่รู้ว่าความรู้จะใช้ได้ตลอดไปหรือเปล่าอยนี้มันธรรมชาติมันเพี้ยนเพียนไม่เหมือนธรรมะนะไม่มีเพี้ยนกี่ปีกี่ชาติกี่ยุคกี่สมัยถ้ามีตัณหาก็มีความทุกข์ไม่มีใครเทียงได้เัืนน่องนี้พวกเรามาภาวนามาเรียนของจริงซึ่ง ไม่มีทางแปรปลวนเพื่อเจ้าชอบสอนนะว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทาเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างกฎของธรรมะนี่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตานีาศาศา่เที่ยงอริยสัจสี่ี่เที่ยงตัวความปรุงแต่งไม่เที่ยง ต, ตัวกดตัวธรรมะตัวนี้ตัวนี้เที่ยงแต่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าเรามาหัดภาวนามาเรียนรู้ความจริงของธรรมะมีชีวิตสอดคล้องกับธรรมะมีความสุขโลกจะแตกก็ไม่ทุกข์หรอกโลกจะแตกก็เรื่องของโลกน้ำจะท่วมอย่างมากก็แค่ตาย ตายก็เป็นเรื่องธรรมะใครเกิดแล้วไม่ตายใครเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดวันหนึ่งก็แก่วันหนึ่งเกิดเท่าไหร่ก็แก่เท่านั้นในความจริงมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันได้เรื่อใจที่ไม่ยอมรับความจริงจะมีความทุกข์ใจคนปฏิเสธความจริง ต้องแก่ไม่อยากแก่ก็ทุกข์ต้องเจ็บไม่อยากเจ็บก็ทุกข์ต้องตายไม่อยากตายก็ทุกข์ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกคนต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่มีใครรอดเลยนะบาอทีเราไม่จากเขาเขาก็จากเราคนที่รักเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นเรื่องธรรมดา มีคนส่วนใหญ่พอเจอความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรองี้ทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ทุกข์ไม่มีทางเลือกให้ก็ต้องทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทางพ้นทุกข์มัไม่ใช่ว่าเป็นทางที่ปฏิบัติทำแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รัก สมหวังตลอดไม่ใช่แต่ปฏิบัติทำแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกมากหรอกทุกน้อยลงน้อยลงเหมนบางคนภาวนาน้ําท่วมบ้านศึษาทําบุญทั้งเยอะทําไมน้ําท่วมบ้านก็เลือกไปตั้งบ้านตรงที่น้ํามันจะท่วมบุญแค่ไหนก็ท่วมเนะไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วน้ําไม่ท่วมบ้านอีกแต่ว่า คนมีศีลมีธรรมน้ำท่วมบ้านไม่ทุกข์มากคนไม่มีศีลมีธรรมก็ทุกข์กมากแค่นั้นเท่านั้นแหละนี่เรามีทางเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้แต่ปัญหานะหนีไม่รอดหรอกอย่าเราเกิดในสังคมชนิดนี้นะกรรมส่งผลมาให้เรามาเกิดตรงนี้แหละต้องเจอปัญหาอย่างนี้หนีไม่รอด การเมืองต้องเป็นแบบนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้สังคมต้องเป็นอย่างนี้หนีไม่รอดนะจะสังเกตไหมพูดถึงการเมืองเาพูดถึงปัญหาทางการเมืองนึกออกไหมเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเราพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ทุกทางการเมืองทุกทางเศรษฐกิจนึกออกหมเวลามีปัญหาสังคมอย่างคนติดยาคนไม่สบายเยอะแยะอะไรเงี้ยเป็นปัญหาทางสังคม เป็นตัวปัญหานะเขาเขาใช้สัพท์ถูกสิ่งที่มากระทบกระทั่งเราไดนะ้คือตัวปัญหาเท่านั้นเองถ้าวางจิตถูกไม่ทุกข์หรอกความทุกข์นั้นมากระทบเราไม่ได้ความทุกข์เราสร้างขึ้นเองถาใจเรามีความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมานี่ต้องมาดูต่ออยู่ๆไปสั่งจิตบอกอ ย, ยาก สั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจิตมันจะอยากทำไงจิตจะไม่อยากพวกนักปราชญ์สมัยก่อนเขาคิดกันมาก่อนเยอะแยะเลยก่อนพระพุทธเจ้าก็มีอย่างพวกน้ครณ น, นะละทัทธิเชนลทัทธิทุกวันนี้ยังอยู่เลยชินะพวกนี้รู้ว่าตัณหาเป็นตัวสมุไทยไม่ธรรมดานะ รู้ว่าตัณหาความอยากเป็นตัวสมุไทยเขาก็หาวิธีละตัณหาอยากกินเขาก็ไม่กินไม่ตามใจมันอยากนอนก็ไม่นอนหรือจะนอนก็ไม่นอนบนหนามบนตะปูอะไรเงี้ยทรมานกายหวังว่าจะสิ้นตัณหาพระพุทธเจ้าก็คนเพราะมีทีสิ้นตัณหาแบบของท่านของเขาก็คนพราะมีทีสิ้นตัณหาแบบของเขาสิ้นไม่สิ้นก็อยู่ที่เขาแหละ พระเจ้าคนพบมิติสิ้นตัณหาของท่านนะเหือถ้าทําลายอาวิชชาได้ก็สิ้นตัณหาได้ไม่ใช่ไปทรมานตัวเองจนเคยชินกับความลําบากนะพอเจอความลําบากก็สบายใจแนละ้วยอมรับความลําบากได้เพราะเคยลําบากมากกว่าอันนั้นมันตื้นไปอย่างอดอยากเกิดทุกพพลภาพไม่ค่อยจะมีข้าวกินกินแต่มามา่มามันเคยอดมาแล้วอ่ะ เคยอดตั้งเป็น 10, 10บสวันมาแล้วนะกินมามากเขยังดีกว่าที่เคยทุกมาก่อนนะเขาพยายามฝึกตัวเองให้คุ้นเคยกับความทุกข์นะเคยอยู่ความลําบากมากมายหนาวนักเหรืออยากได้เสื้อผ้าหรือไม่ใส่เสื้อผ้ามันซนะเลยเคยหนาวสุดขีดไปแล้วลมพัดแค่นี้เขาเฉยๆแล้วเขาเคยลําบากมาแล้วกนะ็เป็นวิธีเป็นวิธีคิดของเขาเหมือนกันนะเขาก็ฉลาดอย่างของเขาเหมือนกัน คือฝึกตัวเองซะให้มันเคยชินกับความทุกข์ทั้งหลายซะเวลาความทุกข์มานะใจก็ไม่ดินน้นรนไม่มีความอยากจะหนีส่วนพระพุทธเจ้านั้นคนพบมีิธีทําลายความอยากด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการทรมานตัวเองท่านปฏิเสธสองสิ่งในการทําลายความอยากคือการตามใจกิเลสท่านปฏิเสธและท่านปฏิเสธการทรมานตัวเองกดขม่มทรมานตัวเอง ท่านคนพบทางสายกลางที่หลุดพ้นไปด้วยปัญญาที่ที่ท่านสรุปออกมาได้นะมาค้นพบทางสายกลางได้เพราะท่านเดินทางสายที่ไม่กลางมาแล้วสมัยเป็นเจ้าชายอยู่ในวังอยากได้อะไรก็ได้แต่ใจไม่มีความสุขใจมันไม่ยิ่มใจมันไม่เต็มงั้นท่านก็สรุปได้อย่างนะว่าการสนองกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆนะไม่ได้วิธีที่จะพ้นจากตัณหาจริงนะ อย่างเวลาเราอยากดูหนังพอเราดูหนังเราหายอยากนึกออกไหมหายอยากจริงแต่เดี๋ยวเดียวอยากอย่างอื่นต่อละหนังยังไม่จบเพื่อคิดเรื่องอื่นต่อแล้วแล้วอยากจะทําอะไรต่อความอยากมันไม่จบสิน้นสนองเท่าไหร่ก็ไม่จบสิน้นท่านก็พบว่าวิวธีสนองกิเลสสนองตัณหานะไม่ได้แก้ปัญหาจริงเสร็จแล้วท่านก็มาทรมานกายทรมานตัวเองแล้วก็พบว่าไม่เห็นได้อะไรขึ้นมานอกจากได้ทรมาน ในสุดท่านก็คิดถึงทางสายกลางทางของสติทางของปัญญาค้นพบทางสายกลางนี้มาสอนพวกเราทางสายกลางนี้ถ้าเราเดินเต็มที่เราจะทำลายอวิชชาได้ทำลายความไม่รู้ได้ทำลายความไม่รู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งความไม่รู้อวิชชาตัวปัญญาอันยิ่งตัววิชาเป็นของคู่ปรับกันอวิชชาเป็นยังไง ทำไมมันทำให้เกิดตัณหาอาวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของอริยสัจความไม่รู้ความจริงของทุกข์ไม่รู้ความจริงของสมุทัยไม่รู้ความจริงของนิโรธไม่รู้ความจริงของอริยมรรคไม่รู้ความจริงของทุกข์เป็นยังไงไม่รู้ว่ารูปนามกายใจขันห้าของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์พอเราเกิดมาเราก็หวงแหนเลยเรารักในตัวเอง ไม่ว่าทําอะไรนะมันทําเพื่อเซอิฟอัตตาทั้งสิ้นเลยมันปกป้องตัวเองอย่างถึงขีดสุดทุกอย่างเลยจะทําจะคิดจะทําจะพูดนะก็แทรกอัตตาตัวตนเข้าไปแฝงเลนเข้าไปอย่างบางคนรู้สึกไหมมีข้าวกินมีเงินใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไม่มีเพื่อนเลยนะ ว, เว้าเหวรู้สึกไหมทําไมมนุษย์ต้องว้าเหวด้วยมนุษย์ต้องการหาพยาน มายืนยันว่าฉันยังอยู่นะม่้ตัวคนเดียวในโลกนะรู้สึกเดียวดายรู้สึกเดียวได้พวกเราอยางเป็นบ้างไหมยัยงมีความรู้สึกเดียวดายเหงาบ้างไหมแปลกนะสมัยหลวงพ่อเด็เดกๆผู้คนมีไม่มากอะ่ะมี20่สิบล้านนึงคนไม่เดียวดายนะคนไม่เหงาญาติเยอะเดี๋ยวนี้คนตั้งเจดสิบล้านเหงาแปลก มันไม่มีใครมารับรองอัตตาเราอย่างเรามีพ่อมีแม่ใช่ก็พ่อแม่ของเราสะท้อนกลับมามีเรามีปู่ย่าตายายลุงป้านาอาโคดเง่าสักกราระเต็มไปหมดเลยนะทุกอย่างมันย้ำฉันมีอยู่จริงๆนะเรามีนามสกุลนี้นะนามสกุลบางงานก็ย้อยใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินใหญ่จนกดทับเอานะ คนนามสกุลใหญ่มากดำรงชีวิตปอนๆก็ไม่ได้นะลำบากเคยมีนักร้องคนหนึ่งนะต้องเปลี่ยนนามสกุลเลยเพราะว่าคนร่วมสกุลนะบอกว่าไปเต้นกินลำกินคนโบราณไม่ชอบเต้นกินลำกินต้องเปลี่ยนนามสกุลมันย้ำนะนย้ำอัตราตรวจตนตลอดเลย ถ้าวันใดรู้สึกสูญเสียตาตัวตนไปนะทนไม่ได้อย่างพวกเรามาภาวนานะเราดูลงมาในกายดูลงมาในใจเห็นว่าไม่ใช่เรารู้สึกหมแรกแรกรู้สึกยังไงสดชื่นไหมเห็นว่าไม่ใช่เราไม่สดชื่นนะใจหายเลยคนกลัวเลยว่าตัวเราหายไปแม้มันรักตัวเองอย่างแน่นแฟนลึกซึ้งสุดขีดเลยเนะนี่ยพุทธเจ้าสอนนะวิชาให้เราให้มาดูความจรงิงของกายของใจของธาตุของขันท่านสอนวิธีการให้เรา ให้เรามาดูความจริงของกายของใจนะดูจนวันหนึ่งเห็นความจริงมันไม่ใช่เราหรอกนะมันมีนแต่ตัวทุกขล้วนๆเลยมีแต่สภาวะธรรมนะไม่มีเจ้าของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนะี่ยดูทีแรกใจยอมรับไม่ได้เพราะมันถูกฝึกฝนมาสะสมมาตลอดนะว่าต้องมีเรานะวันหนึ่งไม่มีเราขึ้นมานะชาเลยนะหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงนะ แล้วก็เห็นคนมีอำนาจวาสนาเนี่ยเห็นมาหลายรุ่นเห็นมาหลายรุ่นตนหลังขนาดมาบวชแล้วนะอย่าอุตส่าห์ไปเห็นมีวันหนึ่งไปขึ้นเรือบินไปเห็นอดีตนายกนะเดินนี้จ้องเชยเฉาไม่ใช่เฉากงกงเลยนี่เฉาออมากมากเลยนะเฉา ไปไหนมาไหนนะเคยมีคนล้อมเป็นร้อยนะหลายสิบคนหรือนี้มีคนตามมาคนสองคนหนึงเดินไปไหนแต่คนก่อนคนฮือฮาหรือนี้คนมองอ๋ออมเฉาเพราะอะไรอัตราไม่ได้รับการเน้นยำ้ำนี่ยคนทั้งหลายในโลกนะตัวเองก็ย้ำอัตราของตัวเองก่อน อย่างเราต้องขี่รถยี่ห้อนี้ต้องใช้เสื้อผ้าอย่างนี้ใช้โทรศัพท์แบบนี้มันย้ำความมีตัวมีตนของเราเองแล้วก็ต้องมีเพื่อนฝูงมีญาติมิตรมาช่วยกันย้ำให้มากขึ้นวันที่สูญเสียสูญเสียมันกล่อนแกรนอย่างร้ายแรงเพรว่าตัวเราไม่มีแค่สูญเสียนะเสียอำนาจนะคนที่แวดล้อมก็เริ่มหายไปอนะไรนี้ แค่นี้ก็รู้สึกมากแล้วข้าราชการเคยเป็นไหนผลกเกษียนออกมานะคนเอามองๆก็ไม่สนใจละเฉาเหมือนกันบางคนตายเร็วเลยเนี่ยเพราะใจมันไม่ยอมรับนะมันถูกย้ำมาตลอดว่าตัวเรามีจริงๆพระพุทธเจ้ามาสอนให้เรามาดูของจริงมาดูตัวเรานี่แหละดูซิมันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่า ดูลงมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยรูปกับนำส่วนที่เป็นรูปประธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมรูปประธรรมประกอบด้วยอะไรรูปประธรรมประกอบด้วยสอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดูลงมาดินเป็นขนไหมดินไม่ใช่ขนน้ำก็ไม่ใช่ขนไฟก็ไม่ใช่ขนลมก็ไม่ใช่ขนดินก็ไม่ใช่เราน้าก็ไม่ใช่เราลมไฟก็ไม่ใช่เรา เนี่ยหัดดูของจริงนะาะเห็นว่าตัวเราไม่มีวิธีดูท่านก็สอนหนคะือวิชาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะส่วนนามธรรมละ่ะรูปธรรมแยกได้4อย่างนะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนามธรรมก็แยกได้สอย่างเรียกว่าสี่กองสี่กองในภาษาไทยนะสี่ด i วิชันโ i ด i วิชัก็คือสี่ขันขันก็แปลว่ากอง เป็นขันสี่ขันคือเวทนาขันคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกนี่เป็นเรื่องของนมามธรรมสัญญาขันคือความจําได้ความหมายรู้สังขารขันนะความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณขันนะความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือตัวจิตนั่นเองนมามธรรมก็แยกได้สีรูปธรรมก็แยกได้สี ใครถนัดจะดูนมามธรรมก็ดูนมามธรรมใครถนัดดูรูปธรรมก็ดูรูปธรรมไปก่อนถ้าแจมแจ้งแล้วมันก็จะเนื่องกันไปถ้ารู้รู้รูปก็จะรู้นามถ้ารู้นามก็รู้รูปมันเนื่องกันอยู่เพราะรูปกับนามนั้นองอาศัยกันอยู่งั้นเบื้องต้นเนี่ยใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดดูทางจิตทางใจดู ดูจิตก็ดูได้หลายอย่างดูเวทนาก็ได้ดูสังขารก็ได้ดูตัวจิต ท, ที่เกิดดับทางทวารทั้งหก็ได้ใครถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละแต่วิถีดแูแตกต่างกันเครื่องมือในการดูนะั้นเหมือนกันเครื่องมือในการดูไกายนั้นก็มีสติกับสมาธิเครื่องมือในการดูจิตก็มีสติกับสมา ธ, สมาธิสติอย่างเดียวกันสมาธิอย่างเดียวกัน สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจ ấy. สตินั้นอยู่ๆไม่เกิดต้องมีเหตุเหตุให้เกิดสติก็คือเราต้องดูสภาวะบ่อยๆจนจิตมันจําสภาวะแม่นอย่างเราคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะสนใจร่างกายบ่อยๆนะระ่างกายกระดุกกระดิกคอยรู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกคอยรู้สึกต่อไปพอร่างกายกระดุกกระดิกในขณะที่เราเผลอ มันจะรู้สึกขึ้นมาได้เองโดยไม่ได้เจตนารู้สึกนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วต้องฝึกจนอัตโนมัติถ้าแม่อัตโนมัติอริยมรรคยังไม่เกิดเพราะขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นนะสติก็อัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติทุอย่าอัตโนมัติหมดเลยเกิดขึ้นในจุดเดียวกันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันในจุดเดียวกันคือเกิดขึ้นที่จิตในขณะจิตเดียวกันคือทั้งหมดนั้นเกิดพร้อมๆกันเลยโดยไม่เจตนา ของเราแค่จะให้สติเกิดโดยไม่เจตนายังยากเลยรู้สึกไหมขนาดเขี้ยวเข็นมันยังไม่ค่อยจะเกิดเลยต้องฝึกนะฝึกให้มากๆสตินั้นเกิดจากเราหัดดูสภาวะบ่อยๆจิตมันจําสภาวะแม่นใครถนัดกายก็ดูกายบ่อยๆเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนรู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกตัว ไม่ใช่เห็นร่างกายหายใจใจออกก็เพ่งลมหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าก็เพ่งลมหายใจเห็นร่างกายยืนก็เพ่งร่างกายที่ยืนเห็นร่างกายเดินก็เพ่งเท้าเพ่งอะไรต่อไรนะไม่ใช่อย่างนั้นเอาแค่ว่าร่างกายหายใจออกก็รู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนค่อยรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตัวงั้นกลับบ้านแล้วไปกวาดบ้าน ขวัดบ้านไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกต่อไปเวลาเผลอๆนะพอร่างกายขยับเราขยับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างเราหายใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว <gelecek> ถ้าเราเคยชินที่จะรู้ทันการเคลื่อนไหวของกายนะพอเราเผลอนะเราขยับตัวปับ๊บนะสติมาเองเลยรู้สึกได้เองเลยเนะมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกละนี่วิธีฝึกให้มีสตินะ ถ้าใครไม่ถนัดที่จะฝึกสติจากกายก็<อ>ามาฝึกสติจากจิตใจค่อยดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดียดเด๋ยวก็ร้ายหมุนไปเรื่อยๆคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปดูใจจนมันเคยชินที่จะดูใจตัวเองพอมันเคยชินที่จะดูใจิตใจตัวเองต่อไปนะอย่างสุดก็คุยกับเพื่อนอยู่กาลังเผลอเต็มที่เลยเพื่อนขัดคอเรานะความโกรธปวดขึ้นมาในใจแวบ สติะระลึกได้เองเลยว่าโกรธขึ้นมาล้วไม่ได้เจตนาะระลึกเลยนะตรงที่ะระลึกได้โดยไม่เจตนาะระลึกเนี่ยแหละสติอัตโนมัติมันเกิดต้องฝึกอยู่ๆดีๆไม่เกิดหรอกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยนะงั้นเรามาฝึกให้ตัวเองมีสติด้วยการหัดรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมาบ่อยๆเอากายเป็นหลักก็ได้เอาจิตใจเป็นหลักก็ได้แล้วแต่ใครถนัดอะไรเอาอันนั้นนะ ไม่มีว่ากรรมฐานอะไรดีที่สุดมีแต่กรรมฐานเหมาะกับ แ, แ, แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะมาดูใจก็ได้นะดูที่ไก่ก็ได้นี่ฝึกให้มีสติต่อไปพอเผลอๆนะร่างกายขยับก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกรู้สึกเองนะเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการเจริญตัญญาคือตัวสมาธิตัวสมาธิเป็นตัวที่อาภัพที่สุดเลยเพราะว่าพวกเราเคยชินกับมิจฉาสมาธิ เราไม่เคยชินกับสมาสมาธิหรอกถ้าถามว่าสมาธิคืออะไรเวลาเราบอกว่าจิตเรามีสมาธิเรามุ่งไปที่สงบรู้สึกไหมวันไหนสงบนะเราบอกจิตมีสมาธิความจริงสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตถ้าเราแปลก็แปลผิดแล้วล่ะเราไปแปลสมาธิว่าสงบนั่นก็เรามุ่งทาความสงบอย่างเดียวเลยจิตฟุ้งซ่านก็หาทางทำให้สงบนะ มงอยู่แค่นั้นเองอความสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงแล้วมาฝึกกันใหม่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยตัวนี้ที่หลวงพ่อสอนมากนะเรื่องที่ว่าจิตตื่นจิตตื่นนั่นก็คือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเองบางคนไม่เข้าใจแล้วบอกหลวงพ่อประมวลไม่สอนเรื่องสมาธิเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงแล้วกําลังสอนสมาธิชนิด ที่สำคัญมากสำหรับการปฏิบัติหลวงพ่อนะทำสมาธิชนิดสงบมาตั้งแต่เจ็ดขวบแนละ้วทำอยู่จนอายุ29 22ปีสมาธิสงบนี่ง่ายมากสำหรับหลวงพ่อเลยนะหายใจยังไม่สุดลมหายใจก็สงบแล้วไม่ยากอะไรสมาธิตั้งมั่นต่างหากละ่ะที่จะเอาไว้ใช้เดินปัญญานะวิธีฝึกสมาธิให้สงบทำยังไงถ้าจะฝึกให้จิตสงบนะ ที่ง่ายที่สุดเลยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันนะสติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับทันทีเลยนะเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้ถ้ามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตสงบอัตโนมัติเลยนะแล้วทําไงถ้าถ้าทำแบบนี้ไม่เป็นดูจิตไม่เป็นดูจิตไม่เป็นไม่ยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุข คนไหนพุโทโธแล้วมี ค, ความสุขก็อยู่กับพุทโธไปจิตก็เลยไม่หนีไปที่อื่นเพราะจิตมีความสุขแล้วคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปจิตที่ไม่หนีไปที่อื่นนะเพราะมันมีความสุขแล้วการที่จิตเราวิ่งพล่านไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นวิ่งไปหาความสุขเท um <Yeah. S 1> ่าน <misin> ั้นเองไม่มีอะไรหรอกวิ่งหนีทุกวิ่งหาสุขอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะั้นถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอยู่แล้วจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบเลยนี่เคล็ดลับของการทําสมถะ บาคนบอกหายใจแทบตายทำมาหลายปีไม่เคยสงบเลยถ้าทําให้ถูกหลักนะถ้าเป็นวิธีของนั่งดูจิตจะให้จิตสงบนี่ง่ายยิ่งกว่านี้ไม่ต้องน้อมจิตไปไหนเลยแค่รู้ทันจิตที่ไม่สงบจิตสงบอัตโนมัติเลยนะมีวิธีการนะแล้วทําไงจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ก็ทำความเข้าใจนิดหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้นะตรงข้ามกับอะไรเวลาหลวงพ่อสอนกรรมฐานถ้าพวกเราสังเกตให้ดีหลวงพ่อมักจะสอนจากธรรมะที่ตรงข้ามอย่างจิตฟุ้งซ่านนะเรารู้ทันฟุ้งซ่านจิตสงบนะนี่มาจากสิ่งที่ตรงข้ามกันจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นไงจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปด้วยแรงผลักของตัณหา งัจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยด้วยอํานาจของตัณหาด้วยอํานาจของตัณหาพระอราหันจิตเคลื่อนไหมถ่ายสิพระอราหันจิตเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนหรอกรับรู้อารมณ์ทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจแต่จิตไม่เคลื่อนไปที่ตาหัวจมูกลิ้นกายใจเลยจิตเต็มโลกาธาตุอยู่อย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะปราศจากตัณหา ดั้นถ้าอย่างจิตวิ่งไปวิ่งมาเคลื่อนไปเคลื่อนมานะแั้วนึกว่าพระละหันแล้วก็อันนั้นหันซ้ายหันขวานะไม่ใช่ของจริงหรอกหลวงปู ด, ดูลถึงบอกธรรมชาตินะธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเนะมื่อจิตส่งออกนอกนะแล้วก็เพิ่มหวันไหวขึ้นมาเนี่ยเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวันไหวเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแข็มแจ้งนะไม่ก็เพิ่มหวันไหวนะ ท่านสอนตัวนี้แล้วท่านจะสรุปตอนท้ายนะว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายคําว่าพระอริยะเจ้าของครูบาอาจารย์นะหมายถึงพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวนะมีความสุขนะเป็นมีวิหารธรรมอยู่อย่างนี้ท่านบอกอย่างนี้และจิตของเรายัางเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะแรงผลักของตัณหาถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมัน่น ตัณหาไม่สามารถผลักดันจิตไปได้แล้วถ้าจิตเคลื่อนไปนะเรารู้ทันปุ๊บถ้ารู้ตรงที่มันเคลื่อนได้มันจะกลับมาเดี๋ยวมันเคลื่อนอีกแต่ถ้ารู้ลงไปถึงต้นต่อรู้ไปถึงตัณหาที่ผลักดันให้จิตเคลื่อนนะคราวนี้จะหมอบไปนานเลยนะจะนิ่งอยู่นานเลยเพราะถูกทำลายต้นต่อนะให้เรารู้ทันนะจิตที่เคลื่อนไปถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตที่หลงอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมาคือไตรลักษณ์ได้เพราะอะไรเพราะความคิดปิดบังความจริงเอาไว้หมดเลยเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดโดยการรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ไปคิดนั่นเองจิตออกนอกนั้นส่วนใหญ่ไปคิด นั้นเรารู้ทันจิตเที่ไหลไปคิดปั๊บจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยเห็นไหมอยากได้ผู้รู้นะให้รู้ทันผู้คิดนะเรียนธรรมะเรียนกลับข้างอย่างนี้นะอยากจะเจอพระนิพพานทํำยังไงต้องรู้จักสังขารอยากเจอสังขะธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งต้องเรียนรู้สังขะธรรมคือรูปนามนั่นเองเนี่ยธรรมะของพระเจ้านะเรียนมาจากสิ่งที่กลับข้างนะ เรียนจะลับข้างเพราะอะไรเพราะตัวมันแท้ๆเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยคนในโลกนี้ไม่มีไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นบอกให้ไปทําจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมันจะไปทําจิตบ้าๆบอๆขึ้นมาแทนถ้าเรียนรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งขึ้นมาถ้าเรียนรู้สังขารคือรูปนามแจ่มแจ้งจะเห็นพระนิพพานพระนิพพานนั้นเรียกว่าสังตะธรรมรูปนามนั้นเป็นสังตะธรรมกลับข้างกัน เรียนจากสิ่งที่กับข้างนั่นแหละเพราะเรามีสิ่งซึ่งตรงข้ามกับคุณงามความดีเรามีสิ่งที่ตรงข้ามกับสตินะเรามีสิ่งที่ตรงข้ามกับสมาธิคือความตั้งมั่นเรามีสิ่งที่ตรงข้ามกับนิพพานก็คือรูปกับนามเราเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีนี่เองถ้าแจมแจ้งนะจะสลัดตัวไปเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งได้นี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะเป็นวิธีเรียนธรรมะซึ่งไม่มีใครเหมือนเลย อย่างนักวิทยาศาสตร์อยากเรียนอะไรนั่นก็จะไปเจาะจงเรียนตัวของมันเพราะเพื่อใหเจ้าเรียนจากสิ่งที่กลับข้างได้นะถ้ารู้จากสิ่งนี้แล้วจะรู้จากอีกสิ่งหนึ่งได้แปลกเอาเชิญไปทานข้าว